ทานกันดาวนนาแม้พระนางพุทธดีราชเทวีมีพระดำริว่าข่าวเดือดร้อนมาถึงลูกของเราลูกของเราจะทำอย่างไรหนอเราจะไปให้รู้ความจึงเสด็จไปด้วยวอทองมีม่านปกปิดประทับที่ทวาวรห้องบันทมอันมีสิริได้ทรงสดับเสียงสนทนาแห่งกษัตริย์ทั้งสอง คือพระเวสสันดรและพระนางมัสีก็พลอยทรงกันแสงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารพระาศาสดาเมื่อทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระนางผุสดีราชบุตรีผู้เรืองยศได้ทรงสดับคำที่พระราชโอรสและพระสุนิสาพร่ำสนทนากันทรงคร่ำครวญละห้อยให้ว่าเรากินยาพิษเสียดีกว่า เราโดดเหวเสดีกว่าเราเอาเชือกผูกคอตายเสียดีกว่าเหตุไห น, นชาวนครสีผีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีความผิดเหตุไห น, นชาวนครสีผีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีความผิดผู้เป็นปราดเป็นทานบดีควรแก่การขอไม่ตรณี เหตุไฉนาชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีความผิดอันเท้าพยาบูชาผู้มีเกียรติมียศเหตุไฉนาชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาประพฤติธรรมตนต่อผู้ใหญ่ในราชสกุล เหตุไฉนาชาวนครศรีพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีความผิดผู้เกื้อกูลแก่พระเจ้าแผ่นดินแก่เทพเจ้าแก่พระปยุรยาตและมิสหายผู้เกื้อกูลทั่วรัฐสีมามณฑ น, นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าราชบุตรีราชบุตรีรตรได้แก่ พระนางผุษสดีราชธิดาของพระเจ้ามัทราชคำว่าปะปะเตยหังเราโดดตัดคำเป็นปะปะเตยังอะหังข้อว่าเราเอาเชือกผูกคอตายรัชุยาพัชชะมียาหังได้แก่เราพึงเอาเชือกแขวนคอตายคำว่าเหตุชไหนกัดสมาความว่า เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เหตุไฉ น, นชาวสีพีจึงให้ขับไล่ลูกของเราผู้ไม่มีความผิดเสียคำว่าผู้เป็นปราดอัจชายิกังความว่าผู้ถึงฝั่งแห่งไตรเพศคือถึงความสำเร็จในศิลปตะต่างๆพระนางผุดศดีทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารฉะนั้นแล้วทรงปลอบพระโอรส และพระสุนิสาให้เบาพระฤทัยแล้วเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าสัญชัยกราบทูลว่าชาวนครสีพีจะให้ขับพระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดเสียรัฐมนทนของพระองค์ก็จะเป็นเหมือนรังพึ่งร้างเหมือนผลมะม่วงหล่นลงบนดินฉะนั้นพระองค์ถูกพวกอมาตะละทิ้งแล้วจะต้องลำบากอยู่พระองค์เดียว เหมือนหงมีขนปีกหลุดลำบากอยู่ในหนองอันไม่มีน้ําฉะนั้นข้าแต่มหาราชเพราะเหตุนั้นหม่อมฉัน้นข้อกราบทูลพระองค์ว่าประโยชน์อย่าได้ล่วงพระองค์ไปเสียเลยขอพระองค์อย่าทรงขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดเพราะถ้อยคําของชาวนครสีพีเลยบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าร้าง ปริตานิได้แก่เหมือนรวงพึ่งที่ตัวพึ่งหนีไปแล้วคำว่าหล่นบนดินปฏิตาชะมาได้แก่และเหมือนผลมะม่วงสุกที่หล่นลงพื้นดินพระนางพฤษฎีทรงสแสดงว่าข้าแต่สมมุติเทพเมื่อขับไล่ลูกของเราไปอย่างนี้แล้วเว้นแคว้นของพระองค์ก็จักสาธานแก่คนทั่วไป คำว่ามีขนปีกหลุดนิขีณาปตโตได้แก่มีขนปีกหลุดร่วงแล้วข้อว่าถูกพวกเสวกามาตละทิ้งแล้วอปวิโทโถอมัดเจหิความว่าถูกเราอามาตรประมาณหกหมื่นผู้เป็นสหชาติกับลูกของเราละทิ้งแล้วคำว่าจะต้องลำบากวิหันยาสิได้แก่จากลำบาก คำว่าเพราะถ้อยคําของชาวนครสีพีสิวีนางวจนาความว่าขอพระองค์อยาทรงขับไล่ลูกของเราผู้ไม่มีความผิดนั้นตามคําของชาวนครสีพีเลยพระเจ้าสันชัยได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าเราทําความยําเกรงต่อพระราชประเพณีจึงขับไล่พระราชโอรส ผู้เป็นธงของชาวสีพีเราจำต้องขับไล่ลูกของตนถึงแม้จะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราเนื้อความแห่งคาถานั้นว่าแน่พระน้องขุสดีผู้เจริญเมื่อฉันขับไล่คือเนระเทศลูกเวสันดรซึ่งเป็นธงชัยของชาวสีพีก็ทำโดยเคารพยำเกรงต่อคติยราชประเพณีธรรมโบราณในสีพีรัต เพราะเหตุนั้นถึงแม้ลูกเวสันดร น, นั้นเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของฉันถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องขับไล่พระนางผุศดศีราชเทวีได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงคร่ำครวญรำพันว่าแต่ปางก่อนยอดธงเคยแห่ตามเสด็จพระเวสันดรดังดอกกา น, นิกาบานวันนี้พระเวสันดรจะเสด็จแต่พระองค์เดียว แต่ปางก่อนยอดธงเคยแห่ตามเสด็จพระเวสสันดรดังป่ากันนิกาวันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต่พระองค์เดียวแต่ปางก่อนกองทหารรักษาพระองค์เคยตามเสด็จพระเวสสันดรดังดอกกันนิกาบานวันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต่พระองค์เดียวแต่ปางก่อนกองทหารรักษาพระองค์ เคยตามเสด็จพระเวสสันดรดังปากั น, นิกาวันนี้พระเวสสันดรจะต้องเสด็จแต่พระองค์เดียวแต่ปางกนทหารรักษาพระองค์ใช้ผ้ากำพลแดงจากเมืองคันธาระมีสีเรืองรองเหมือนแมลงค่อมทองเคยตามเสด็จพระเวสสันดรวันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต่พระองค์เดียว แต่ปางก่อนพระเวสสันดรเคยเสด็จโดยช้างพระที่นั่งวอและรถทรงวันนี้จะเสด็จดำเนินด้วยพระบาทอย่างไรพระเวสสันดรเคยลูบไล้องด้วยจุลแก่นจันทร์คึกครืคร้นด้วยการฟ้อนรำขับร้องวันนี้จะทรงแบกหนังเสืออัญหยาบขวานและหาบเครื่องบริขารไปได้อย่างไร พระเวสสันดรเมื่อเสด็จเข้าไปอยู่ป่าใหญ่ชะไหนไม่มีผู้ขนเอาผ้าย้อมน้ำฝาดและหนังเสือไปให้พระเวสสันดรเมื่อเสด็จเข้าไปอยู่ป่าใหญ่ชะไหนไม่มีผู้จัดผ้าเปลือกไม้ให้พวกคนที่เป็นเจ้านายบวชจะทรงผ้าเปลือกไม้ได้อย่างไรเนาเจ้ามัดสีจากนุ่งห่มผ้าคากรองได้อย่างไร เจ้ามัตสีเคยทรงแต่ผ้ากาสิกพัทผ้าโคมมพัทและผ้าโกทุมพารพัทเมื่อต้องทรงผ้าคากรองจะกระทำอย่างไรเจ้ามัตสีผู้มีรูปร่างสวยงามเคยเสด็จด้วยคานหามบอและรถทรงวันนี้จะเสด็จเดินทางด้วยประบาดได้อย่างไร เจ้ามัดสีผู้มีรูปร่างสวยงามมีฝ่าประหัดอันอ่อนนุ่มไม่เคยทำงานหนักเคยตั้งอยู่ในความสุขวันนี้จะเสด็จเดินทางด้วยพระบาทได้อย่างไรเจ้ามัดสีผู้มีรูปร่างสวยงามมีฝ่าประบาทอันอ่อนนุ่มไม่เคยเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเคยตั้งอยู่ในความสุขทรงสวมฉลองพระบาททองเสด็จดาเนินไป เรากะ ว, ว่าเหน็ดเหนื่อยวันนี้จะเสด็จเดินทางด้วยพระบาทได้อย่างไรเจ้ามาสีผู้มีรูปร่างสวยงามทรงสิริแต่ก่อนเคยเสด็จดำเนินข้างหน้านางข้าหลวงจำนวนพันวันนี้จะเสด็จเดินป่าพระองค์เดียวได้อย่างไรเจ้ามาสีผู้มีรูปร่างสวยงามขวัญโอน เมื่อก่อนพอได้ยินเสียงสุนักเห่าฮอนก็สะดุ้งทันทีวันนี้จะเสด็จเดินป่าได้อย่างไรเจ้ามัดสีผู้มีรูปร่างสวยงามขวัญอ่อนได้สะดับเสียงนกฮูกอินทสโคตรคำรามร้องก็กลัวตัวสัน่นเหมือนนางวารินีวันนี้จะเสด็จเดินป่าได้อย่างไร เมื่อกล้าวกระหม่อมฉันมาสู่นิเวศอันว่างเปล่านี้จักเศร้ากำสดประทมทุกสิ้นกาลนานดังแม่นกถูกพรากลูกเห็นแต่รังอันว่างเปล่าซบเศร้าฉะนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมฉันไม่เห็นลูกรักทั้งสองก็จักสู้ผอมเหมือนแม่นกถูกพรากลูกเห็นแต่รังอันว่างเปล่าสู้ผอมอยู่ฉะนั้น เมื่อกล้าวกระหม่อมชั้นไม่เห็นลูกรักทั้งสองก็จักวิ่งพล่านไปตามที่นั้นนั้นดังแม่นกถูกพรากลูกเห็นตรังอันว่างเปล่าก็พล่านไปอยู่ฉนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมชั้นมาสู่นิเวศอันว่างเปล่านี้จักเศร้ากําสดประทมทุกสิ้นกาลนานดังนางนกออกถูกพรากลูกเห็นตรังอันว่างเปล่าซบเซาอยู่ฉนั้น เม uhm ื่อกล้าวกระหม่อมชั tam, lair, ater, ้นไม่เห็นลูกรักทั้งสองก็จักสู้ผอมเหลืองดังนางนกออกถูกพรากลูกเห็นตารางอันว่างเปล่าซบเซาอยู่ฉะนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมชั้นไม่เห็นลูกรักทั้งสองก็จักวิ่งพลานไปตามที่นั้นๆดังนางนกออกถูกพรากลูกเห็นต่รางอันว่างเปล่าก็พลานไปอยู่ฉะนั้น เมื่อกล้าวกระหม่อมชัน้นมาสู่นิเวศอันว่างเปล่านี้ก็จะเศร้ากำสดระทมทุกข์สิ้นกาลนานเป็นแน่แท้เหมือนนางนกจากพรากซบเศร้าอยู่ในหนองอันไม่มีน้ำฉะนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมชัน้นไม่เห็นลูกรักทั้งสองก็จะสู้ผอมเหลืองเป็นแน่แท้เหมือนนางนกจากพรากสู้ผอมอยู่ในหนองอันไม่มีน้าฉะนั้น เมื่อก ล, กล้าวกระหม่อมชั้นไม่เห็นลูกรักทั้งสองจักวิ่งพลานไปตามที่นั้นๆเป็นแน่แท้เหมือนนางนกจากพรากพลานไปอยู่ในหนองอันไม่มีน้ำฉะนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมชั้นพร่ำเพรอทูลอ้อนวอนอยู่อย่างนี้ถ้าพระองค์ยังจะทรงให้ขับไล่พระราชบุตรผู้ไม่มีความผิดเสียจากเว่นแคว้นกล้ากระหม่อมชั้น เห็นจักต้องสละชีวิตเป็นแน่บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าดังดอกกันนิกากนิการาวะความว่าเป็นราวกับดอกกนิกาที่บานดีแล้วเพราะยอดทงประดับด้วยเครื่องประดับตกแต่งสีทองและผ้าทองคําว่าเคยแห่ตามเสด็จพระเวสสันดรยายันตะมนุยายันติความว่า ตามเสด็จพระเวสสันดรผู้เสด็จไปเพื่อต้องการประพาสสวนอุทยานเป็นต้นคำว่าวันนี้พระเวสสันดรแต่พระองค์เดียวสว่าเชโกวะความว่าวันนี้พระเวสสันดรจากเสด็จไปพระองค์เดียวเท่านั้นคำว่ากองทหารรักษาพระองค์อณีกานิได้แก่กองทัพช้างเป็นต้น คำว่าผ้ากาพลแดงจากเมืองคันธาระคันธาราปันตุกัมพลาได้แก่ผ้ากาพลแดงที่เสนานุ่งห่มมีค่าแสนหนึ่งทำขึ้นที่คันธารรัฐคำว่าจากทรงแบกหาฤติได้แก่แบกขึ้นบ่าไปคำว่าเสด็จเข้าไปอยู่ปวิสันตังได้แก่ เมื่อพระเวสสันดรเสด็จเข้าไปอยู่ข้อว่าชะไหนไม่มีผู้จัดผ้าเปลือกไม้ให้กัสมาจีรังนะพัชเรได้แก่ใครๆที่แต่งตัวได้จะช่วยแต่งองค์ด้วยผ้าเปลือกไม้ก็ไม่มีเพราะอะไรคำว่าพวกคนที่เป็นเจ้านายบวชราชาปับพระชิตาได้แก่พวกกษัตริ์บวช คำว่าผ้าโคมพัทและผ้าโกทุมพรพัทโขมะโกทุมพรานิได้แก่ผ้าสาดกที่เกิดในโขมรัตและในโกทุมพรรัฐคำว่าสากถัดชะเจ้ามัตสีวันนี้ได้อย่างไรตัดคำเป็นสากถังอัชชะคำว่าผู้มีรูปร่างสวยงามอนุจังคี ได้แก่ผู้มีพระวรกายไม่มีที่ตำหนิคือหาที่ติมิได้คำว่าราวกับ ว, ว่าเหน็ดเหนื่อยปีละมานาวะความว่าสเสด็จดำเนินโยกเยกไปเหมือนเหน็ดเหนื่อยคำว่าอัดสุในคำเป็นต้นว่ายัดสุอิทีสหัสสัตสะนางข้าหลวงจำนวนพันเป็นนิบาท อธิบายว่านางมัตสีใดปาถะว่ายาสาก็มีคำว่าสุนักสิวายะได้แก่สุนักจิ้งจอกคำว่าเมื่อก่อนปุเรได้แก่อยู่ในพระนครในการก่อนคำว่าอินทสโคตอินทสโคตตัดสะได้แก่โกศยโคต คำว่าเหมือนนางวาริณีวาริณีวะได้แก่เหมือนยักษ์ทาสีที่เทวดาสิง์คำว่าทุก์ทุกเขนะได้แก่ทุกขคือความโศกเพราะความพลัดพรากจากบุตรคำว่ามาสู่นิเวศนี้อาคัมมิมังปุรังได้แก่เมื่อลูกไปแล้วแม่มาวังนี้คือวังของลูก ด้วยคำว่าลูกรักทั้งสองปิเยปุตเตพระนางผูสดีตรัดหมายถึงพระเวสสันดรและพระนางมัตสีคำว่าถูกพรากลูกหัตตดฉาปา่าได้แก่มีลูกถูกรบกวนคือมีลูกน้อยถูกเบียดเบียนแล้วข้อว่าถ้าพระองค์ยังจะทรงให้ขับไล่เสียจากแว่นแคว้นปบพาเชสิจะนังรัฐา ได้แก่ถ้าพระองค์ยังจะในประเทศลูกเวสันดร น, นั้นจากแว่นแควนเหล่าศรีพีกัญญาของพระเจ้าสัญชัยทั้งปวงได้ยินเสียงคร่ำครวญของพระนางพุทษดีเทวีก็ประชุมกันร้องไห้ส่วนราชบริจาริกานารีทั้งหลายในพระราชนิเวศของพระเวสันดรได้ยินเสียงเหล่าราชบริจาริกา ของพระเจ้าสัญชัยร้องไห้ต่างก็ร้องไห้ไปตามกันใครๆในราชสกุลทั้งสองที่สามารถจะทรงตนไว้ได้ไม่มีเลยต่างทอดกายพี่ไรรำพันดุดมูไม้รังต้องลมย่ำยีก็ล้มลงตามกันฉะนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า นางสนมกำนันในของพระเจ้าศรีวิราชทุกท่วนหน้าได้ยินคำรำพันของพระนางพุทธดีแล้วพากันมาประชุมประคองแขนทั้งสองขึ้นร่ำให้พระโอรสพระธิดาและพระชายาในนิเวศของพระเวสสันดร น, นอนกอดกันสะอื้นให้ดังหมูไม้รังอันถูกพายุพัดลม้มระเนระนาดแหลกรานฉะนั้น พวกชาววังพวกเด็กๆพ่อค้าและพวกพราหมณ์ในนิเวศของพระเวสสันดรต่างก็ประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญพวกกองช้างกองมา้ากองรถและกองเดินเท้าในนิเวศของพระเวสสันดรต่างก็ประคองแขนทั้งสองคร่ำครวนครั้นเมื่อสิ้นราตรีนั้นพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว พระเวสสันดรเสด็จมาสู่โรงทานเพื่อทรงทานโดยรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงให้ผ้าแก่ผู้ต้องการผ้าจงให้เล่าแก่พวกนักเลงเล่าจงให้โภชนะแก่ผู้ต้องการโภชนะโดยทั่วถึงและอย่าเบียดเบียนพวกวันิพกไร่ผู้มาในที่นี้จงเลี้ยงดูพวกวันิพกให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำ พวกเขาได้รับการต้อนรับแล้วก็จงไปครั้งนั้นเสียงดังกึกก้องกลาหนหน้าบาดเสียวเป็นไปในพระนคร น, นั้นว่าชาวนาครสีพีจะขับไล่พระเวสสันดรเพราะทรงบริจาคทานพระองค์ก็ยังทรงบริจาคทานอีกเมื่อพระมหาราชาผู้ประดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญจะเสด็จออก ว่ น, นิพกเหล่านั้นก็สุดลงไปเป็นดังคนเมาคนเหน็ดเหนื่อยปรับทุกกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายชาวนครสีพีพากันขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดเสียจากแว่นแคว้นก็เปรียบเหมือนช่วยกันตัดต้นไม้ที่ให้ผลต่างๆเสียฉนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายชาวนครสีพีพากันขับไล่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 ชาวนครสีพีพากันขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดเจียจากแว่นแคว้นก็เปรียบเหมือนช่วยกันตัดต้นไม้อันนำรถที่ต้องการทุกอย่างมาให้ฉะนั้นเมื่อพระมหาราชาผู้พดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญจะเสด็จออกทั้งคนแก่เด็กและคนปานกลางต่างพากันประคองแขนทั้งสอง ร้องไห้คร่ำครวญเมื่อพระมหาราชาผู้พดุงแว่นแคว้นของชาวสีผีให้เจริญจะเสด็จออกพวกโหนหลวงพวกขันทีนางสนมของพระราชาต่างก็ประคองแขนทั้งสองร้องไห้คร่ำครวญเมื่อพระมหาราชาผู้พดุงแว่นแคว้นของชาวสีผีให้เจริญจะเสด็จออก แม่หญิงทั้งหลายที่มีอยู่ในพระนครนั้นต่างร้องไห้คร่ำครวญสมณะพราหมณ์และวณิพกต่างก็ประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าเป็นการไม่ยุติธรรมเลยเพราะเหตุพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานอยู่ในพระราชวังของพระองค์จำต้องเสด็จออกจากแว่นแคว้นของพระองค์ เพราะถ้อยคำของชาวสีพีพระเวสสันดรพระราชทานช้างเจ็ดร้อยเชือกที่ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างอันมีสายรัดมีทั้งกูบและสับปะครับทองมีหัตถาจานถือหอกศัดและขอขึ้นคอประจำแล้วเสด็จออกจากแวนแคว้นของพระองค์พระเวสสันดรพระราชทานม้าเจ็ดร้อยตัว ที่ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเป็นม้าสินทพชาติอาชาในเป็นม้าฝีเท้าเร็วมีอัสวาจา์ติดดาบและธนูขึ้นขี่ประจำแล้วเสด็จออกจากแวนแคว้นของพระองค์พระเวสสันดรพระราชทานรถเจ็ดร้อยคันที่ผูกสอดเครื่องรบปักธงชัยครบครันหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่าง มีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขับขี่แล้วเสด็จออกจากแว่นแคว้นของพระองค์พระเวสสันดรพระราชทานสตรีเจ็ร้อคนประจำอยู่ในรถคัละคนสอดสวมสร้อยทองคำตกแต่งด้วยเครื่องทองมีเครื่องประดับผ้านุ่งผ้าหม่มและเครื่องอาพรล้วนแต่สีเหลืองมีดวงตาโตใบหน้ายิ้มแย้ม ตะโพกงามเอวบางร่างน้อยแล้วเสด็จออกจากเว่นแคว้นของพระองค์พระเวสสันดรพระราชทานแม่โคโนมเจ็ร้อยตัวพร้อมด้วยภาชนะเงินสำหรับรองน้ำนมทุกๆตัวแล้วเสด็จออกจากแว่นแคว้นของพระองค์พระเวสสันดรพระราชทานทาสีเจ็ร้อยและท่าเจ็ดร้อยแล้วเสด็จออกจากเว่นแคว้นของพระองค์ พระเวสสันดรพระราชทานช้างมา้ารถและนารีอันประดับประดาอย่างสวยงามแล้วเสด็จออกจากเว้นแคว้นของพระองค์ในการนั้นได้มีสิ่งที่น่ากลัวค้นพองสยองกล้าเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานมหาทานแล้วแผ่นดินก็วันไหวครั้งนั้นได้มีสิ่งที่น่ากลัวค้นพองสยองกล้าว พระเวสสันดรทรงประคองอัญเชลีสเสด็จนิราชจากแว่นแคว้นของพระองค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่านางสนมกํานันในของพระเจ้าสีวิราชศิวิกัญญาความว่าภิกษุทั้งหลายสตรีทั้งหลายของพระเจ้าสัญชัยราชาแห่งชาวสีพีแม้ทั้งปวงได้ฟังเสียงคร่าครวญของพระนางผุดสีแล้ว ประชุมกันคร่ำครวญร้องไห้คำว่าในนิเวศของพระเวสสันดรเวสสันตรนิเวสเีความว่าเราชนในวังแม้ของพระเวสสันดรได้ฟังเสียงคร่ำครวญของสตรีทั้งหลายในวังของพระเจ้าสันชัยนั้นก็คร่ำครวญไปตามกัน ในราชสกุลทั้งสองไม่มีใครๆที่สามารถจะดำรงอยู่ได้ตามภาวะของตนต่างล้มลงเกลือกลิ้งไปมาคร่ำครวนดุดมูไม้รังโค่นลงด้วยกำลังลมฉะนั้นคำว่าครั้นเมื่อสิ้นราตรีนั้นตะโตรัตยาวิวะสเนเความว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อราตรีนั้นล่วงไป ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพวกค น, คนขนควายในทานได้กราบทูลแด่พระเวสสันดรว่าทานได้จัดเสร็จแล้วลำดับนั้นพระราชาเวสสันดรทรงรงสนานแต่เช้าทีเดียวประดับด้วยสัมภารังการสเสวยโภชนาหารรสอร่อยแวดล้อมไปด้วยมหาชนสเสด็จเข้าสู่โรงทานเพื่อพระราชทานสัตตะสั ต, ตกะมหาทาน คำว่าจงให้เทถะความว่าพระเวสสันดรเสด็จไปในที่นั้นแล้วเมื่อตรัสสังเหล่าอมาตหกหมื่นได้ตรัสอย่างนี้คำว่าเล่าวารุณิงความว่าพระเวสสันดรทรงทราบว่าการให้น้ำเมาเป็นทานไร้ผลแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ทรงดรําริว่าพวกนักเลงสุรามาถึงโรงทานแล้ว อย่าได้กล่าวว่าพวกเราไม่ได้ดื่มสุราในโรงทานของพระเวสสันดรจึงให้พระราชทานคำว่าพวกวั น, นิพกวั น, นิพเกได้แก่บรรดาเหล่าชนวั น, นิพกผู้ขอพวกท่านอย่าได้เบียดเบียนใครๆแม้คนหนึ่งด้วยคำว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับแล้วปฏิปูชิตาพระเวสสันดรตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงกระทําโดยที่พวกเขาอันเราต้อนรับแล้วพากันยกย่องเราจากไปพระเวสสันดรได้พระราชทานสัตตสัตกะมหาทานคือช้างเจ็ดร้อยเชือกมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยข่ายทองมาเจ็ดร้อยตัวก็เหมือนอย่างนั้นแหละรถเจ็ดร้อยคันหุ้มด้วยหนังราชสีเป็นต้น วิจิตด้วยรัตนะต่างๆมีทงทองสตรีมีขติยะกัญญาเป็นต้นเจ็ร้อคนประดับด้วยสัมภาลังการทรงรูปอันอุดมแม่โคโนมเจ็ดร้อตัวซึ่งเป็นแม่พันชั้นดีรีดน้ำนมได้วัลละม่อแต่ละตัวแต่ละตัวทาสีเจ็ร้อคนผู้ได้รับการฝึกหัดศึกษาดีแล้วท้าเจ็ร้อยคนก็เหมือนอย่างนั้น พร้อมเครื่องดื่มและโภชนาหารหาประมาณไม่ได้ด้วยประการชนีเมื่อพระมหาสัตว์ทรงบริจาคทานอยู่อย่างนี้ชาวนครเชตุดรมีกษัตริย์พรามแพทยสูตรเป็นต้นต่างร่ําพี่ไรราพันว่าข้าแต่ประเวทสันดรผู้เป็นเจ้าชาวศรีพีรัฐขับไล่พระองค์ผู้ทรงบริจาคทานเสดจากรัฐมนตร พระองค์ก็ยังทรงบริจาคทานอีกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าครั้งนั้นเสียงดังกึกก้องโกลาหลหน้าวาเสียวเป็นไปในพระนคร น, นั้นว่าชาวนาครสีผีจะขับไล่พระเวสสันดรเพราะทรงบริจาคทานพระองค์ก็ยังทรงบริจาคทานอีก ฝ่ายพวกผู้รับทานได้รับทานแล้วก็พากันรำพึงว่าได้ยินว่าบัดนี้พระราชาเวสันดรจักเสด็จเข้าสู่ป่าทำพวกเราให้หมดที่พึ่งจำเดิมแต่นี้พวกเราจับไปหาใครรำพึงชนี้ก็นอนกลิ้งเกลือกไปมาประหนึ่งว่ามีเท้าขาดคร่ำครวญด้วยเสียงอันดังพระาศาสดา เมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเมื่อพระมหาราชาผู้ประดุงแว่นแคว้นของชาวสีผีให้เจริญจะเสด็จออกวั น, นิพกเหล่านั้นก็สุดลงไปเป็นดังคนเมาคนเหน็ดเหนื่อยดังนี้เป็นต้นบรรดาคำเหล่านั้นสุอักษรในคำว่าเตสุมัตตาวั น, นิพกเหล่านั้นเป็นดังคนเมา นี้เป็นเพียงนิบาศความว่าว่านิพกเหล่านั้นคำว่าเป็นดังคนเมาคนเหน็ดเหนื่อยมัตตากิรันตาวะได้แก่เป็นราวกับคนเมาและราวกับคนเหน็ดเหนื่อยคำว่าสุดลงไปสมปตันติได้แก่ล้มลงบนพื้นดินกลิ้งเกลือกไปมาคำว่าตัดอัดเฉดชุ้งวะตะ ได้แก่ฟันแล้วหนคำว่าก็เปรียบเหมือนยะถาได้แก่ด้วยเหตุใดคำว่าผลหลวงอติยักขาได้แก่หมอผีบ้างแม่มดบ้างคำว่าพวกขันธีเวสวราได้แก่พวกขันธีผู้ดูแลฝ่ายในคำว่าเพราะถ้อยคำวจนะเทนะ ได้แก่เพราะเหตุแห่งถ้อยคำข้อว่าจำต้องเสด็จออกจากเว้นแคว้นของพระองค์สัมหารัฐานิรัชชติได้แก่เสด็จออกไปจากแคว้นของพระองค์คำว่ามีหัตถาจารย์คามณีเยพิได้แก่อาจารย์ฝึกช้างคำว่าชาติชาติเย ได้แก่สมบูรณ์ด้วยชาติคำว่ามีอัศวาจารย์ a ามนิเยภิได้แก่อาจารย์ฝึกม้าคำว่าติดดาบลัทนูอินทิยาจาปะทาริพิได้แก่ผู้ทรงไว้ซึ่งดาบลัทนูคำว่าพุ่มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงทีเปอโทปิเวยักเเคได้แก่ พุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและหนังเสือโครงคำว่าประจําอยู่ในรถคันละคนเอกเมการะเถถิตาความว่าได้ยินว่าพระเวสสันดรได้พระราชทานนางแก้วคนหนึ่งคนหนึ่งยืนอยู่บนรถมีนางวันณธาสีแปดคนแวดล้อมคำว่าสร้อยทองคำนิครัตชูหิได้แก่ สร้อยสังวานที่สำเร็จด้วยเส้นได้ทองคำคำว่ามีดวงตาโตอารารับปะมุขขาได้แก่มีในตาโตคำว่าใบหน้ายิ้มแย้มหสุลาได้แก่ยิ้มแย้มก่อนจึงพูดคำว่าตะโพกงามสุสัญญาได้แก่มีตะโพกผึ่งพายคำว่าเอวบางร่างน้อย ตนุมัชชิมาได้แก่มีอวัยวะท่อนกลางบางคำว่ากังสะในคำว่ากังสุปาทาริโนพร้อมด้วยภาชนะเงินสำหรับรองน้ำนมนี้เป็นชื่อของเงินความว่าได้พระราชทานพร้อมด้วยภาชนะใส่น้ำนมที่สำเร็จด้วยเงินคำว่าพระราชทานปฐินนมหิได้แก่ ให้อยู่คําว่าวันไว้สมกรรมประะัะได้แก่วันไว้ด้วยอานุภาพแห่งทานคําว่าทรงประคองอัญชลียังปัญชลีกโตวความว่าพระราชาเวสันดรพระราชทานมหาทานแล้วประคองอัญชลีนมาสการทานของตนได้ทรงกระทําอัญชลีอธิษฐานว่า ขอทานนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระสัพพัญยุตยานของเราทีเดียวแม้ข้อนั้นก็ได้เป็นมหัศจรรย์น่าสยดสยองนั่นแลอธิบายว่าแผ่นดินได้วันไหวในขณะนั้นคำว่าสเสด็จนิราชนิรัชชติความว่าแม้พระเวสสันดรได้พระราชทานถึงอย่างนี้แล้วก็ยังต้องสเสด็จนิราชไป ไม่มีใครๆจะห้ามพระองค์ได้ก็ในการนั้นเทวดาทั้งหลายแจ้งแก่พระราชาในพื้นชมพูทวีปว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานมีพระราชทานนางขติยะกัญญาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นกษัตริย์ทั้งหลายจึงเสด็จมาด้วยเทวานุภาพรับนางขติยะกัญญาเหล่านั้นแล้วหลีกไปกษัตริย์พรามแพทย สูตรเป็นต้นรับพระราชทานบริจาคของพระเวสสันดรแล้วหลีกไปด้วยประการชนิสพระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่จนถึงเวลาเย็นพระองค์จึงเสด็จกลับพระราชนิเวศของพระองค์ทรงดําริว่าเราถวายบังคมลาพระชนกพระชนนีแล้วจากไปในวันพรุ่งนี้จึงเสด็จไปสู่ที่ประทับ ของพระชนกพระชนนีด้วยรถพระที่นั่งอันตกแต่งแล้วฝ่ายพระนางมัซีเทวีก็ทรงคิดว่าแม้เราก็จะโดยเสด็จพระสวามีจากยังพระสัตสุและพระสัตสุระให้ทรงอนุญาตเสียด้วยจึงเสด็จไปพร้อมพระเวสสันดรพระมหาสัตว์ถวายบังคมพระราชบิดาแล้วกราบทูลความที่พระองค์จะเสด็จไป พระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเวสสันดรกราบทูลพระเจ้าสัญชัยทำมิกราชผู้ประเสริฐว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดในประเทศหม่อมชั้นเถิดหม่อมฉั้นจะไปยังภูเขาวงกฎข้าแต่พระมหาราชสัตว์เราใดหเราหนึ่งที่มีมาแล้วที่จักมีมาและที่มีอยู่ ยังไม่อิ่มด้วยกามเลยก็ต้องไปสู่สำนักของพยายมหม่อมชันบำเพ็ญทานอยู่ในวังของตนยังชื่อว่าเบียดเบียนชาวนครของตนเมื่อออกจากแว่นแคว้นของตนเพราะถ้อยคำของชาวสีผีหม่อมชันจักต้องได้สเสวยความลำบากนั้นๆในป่าอันเกลื่อนกลนไปด้วยพาละมึกเป็นที่อยู่อาศัยของแรดและเสือเหลือง หม่อมฉันจะทำบุญทั้งหลายเชิญพระองค์ประทับจมอยู่ในเปลือกตมเถิดพระเจ้าค่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าทำมิกราชผู้ประเสรศิฐทำมิกลงวรังได้แก่ผู้สูงสุดในระหว่างพระราชาผู้ทรงธรรมทั้งหลายคําว่าขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดในประเทศอวรุท ธ, ธสิได้แก่ นำออกจากเว้นแคว้นคำว่าที่มีมาแล้วภูตาได้แก่อดีตการคำว่าที่จักมีมาและที่มีอยู่พวิสเร αι, ได้แก่ชนเหล่าใดจักมีในอนาคตและเกิดในปัจจุบันข้อว่าหม่อมฉันยังชื่อว่าเบียดเบียนชาวนครของตนโสหังสเกอภิสสิง ความว่าหม่อมฉันนั้นทำอะไรจึงชื่อว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนคาว่าบําเพนทานยะฉะมาโนได้แก่บริจาคทานคำว่าในวังของตนสเกปุเรได้แก่ในปราสาทของตนแต่ในบาลีเขียนไว้ว่าเมื่อหม่อมอฉันนั้นบริจาคทาน คำว่าเมื่อออกจากนิรัชาหังได้แก่เมื่อหมอมชั้นออกคำว่าความลำบากนั้นอคันตังได้แก่อมอมชั้นจากเสวยทุกข์ที่ผู้อยู่ในป่าพึงเสวยด้วยคําว่าในเปลือกตมปังกัมหิพระเวสสันดรทูลว่าแต่พระองค์ขอจงทรงจมอยู่ในเปลือกตมคือกามเถิด พระมหาสัตว์ทูลกับพระชนกด้วยสี่คาถาอย่างนี้แล้วเสด็จไปเฝ้าพระชนนีถวายบังคมแล้วเมื่อจะทรงขออนุญาตบรรพชาจึงตรัสว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอได้ทรงโปรดอนุญาตหม่อมชั้นหม่อมชั้นขอบวชหม่อมชั้นบำเพ็ญทานอยู่ในวังของตนยังชื่อว่าเบียดเบียนชาวนาครของตน เมื่อออกจากแว่นแคว้นของตนเพราะถ้อยคำของชาวสีพีม่อมฉันจะต้องได้เสวยความลำบากนั้นๆในป่าอันเกลืน่นกล่นด้วยพารามลึกเป็นที่อยู่อาศัยของแรดและเสือเหลืองหม่อมฉันจะกระทําบุญทั้งหลายจะไปสู่เขาวงกฎพระนางผุสดีได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าลูกเ อ, อ๋ยแม่อนุญาตให้ลูก การบวชของลูกจงสำเร็จส่วนแม่มัทสีผู้มีความงามตะโพกพึ่งพายเอวบางร่างน้อยจงอยู่กับลูกๆเถิดนางจะทําอะไรในป่าได้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าจงสำเร็จส ม, มิชชัตุได้แก่จงมีความสำเร็จด้วยฌานด้วยคําว่าจงอยู่อัจฉตังพระนางพุทธดีตรัสว่า จงอยู่คือจงมีในที่นี้แหละพระเวสสันดรตรัสว่าหม่อมฉันไม่พยายามจะนำแม้ซึ่งนางทาสีไปสู่ป่าโดยเขาไม่ปรารถนาถ้าเขาปรารถนาก็ตามไปถ้าเขาไม่ปรารถนาก็จงอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่ปรารถนาอะกามาความว่าข้าแต่เสด็จแม่ เสด็จแม่ตรัสอะไรอย่างนั้นแม้ทาสีม่อมฉันก็ไม่อาจจะพาไปโดยเขาไม่ปรารถนาะ